ท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึง่งที่อาตมาภาพได้มีเวลามาพบกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทร่วมพระพุทธศาสนาอันเดียวกัน <c oughs> และซึ่งต่างคนก็ต่างมีความมุ่งหวัง ที่จะได้ฟังและได้ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ <c oughs> ธรรมะที่จะได้เล่าู่ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกเหลือไปจากจากการบาเพ็ญภาวนาในทางจิต วิทยาการต่างๆไม่ว่าทางสายกระแสโลกหรือสายศาสนา <c oughs> เราได้เรียนกันมามากต่อมากแต่สิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหลายเหล่านั้นเราอาจจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคือธรรมะ แต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละกายกับใจของเราก็เป็นธรรมะวิทยาการที่เราเรียนมาตามศาสตร์นั้นๆสายนั้นๆก็เป็นธรรมะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมะโดยความเป็นสภาวธรรมเบื่อธรรมะเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความจริงของมันแสงอยู่ แต่เราอาจจะไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นมันมีความจริงเพราะเรายัางค้นไม่พบแม้แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยโดยปกติธรรมดาโดยทั่วไปแล้วเราจะรู้สึกว่ากายกับใจนี่มันแยกกันไม่ออก แต่แท้แ ท, ที่จริงในเมื่อเราศึกษาให้รู้งซึงถึงข้อเท็จจริงมันแล้วกายกับใจมันสามารถแยกออกเป็นคนละส่วนได้อันนี้พูดเฉพาะในทางปฏิบัติแต่โดยทั่วทั่วไปแล้วเราไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ในเมื่อกายกับใจแยกออกจากกันได้เจ็ดกับอารมณ์ มันก็แยกออกจากกันได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางแนวทางแห่งการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอันเป็นส่วนสมาธิภาวนานั้นนั่นแหละคือโอบายที่เราจะฝึกฝนอบรมให้จิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันได้ทีนี้ ในมาพูดถึงเรื่องการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาต้องมีศีลแล้วก็มีสมาธิจึงจะมีปัญญาแต่ว่ากันโดยทั่วท่วไปแล้วการทำสมาธินี่เราไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้พูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงเพราะในละที่ เทเขาปฏิบัติสมาธิกันบางอย่างเช่นสมาธิเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์วิชาไสยศาสตร์บางอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังบางอย่างก็มีประสิทธิธภาพที่สามารถทําให้ผู้คนมีอันเป็นไปต่างๆเช่นทําให้เกิดวิกลจริตทาให้หลงไหลและบางทีถึงอาจสามารถทํา ให้โูษถูกกระทำนั้นถึงแก่ชีวิตก็ได้เช่นหลวงพ่อเคยศึกษาและเคยอ่านตำรับตำรามาวิชาศยศาสตร์บางอย่างเขาสามารถเจริญทาสมาธิแล้วปล่อยตะปูไปเข้าท้องคนก็ได้อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิบางทีหนังแผ่นบเบล เตะคาถาทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทอบให้มันเหลือและเพียงแค่หัวไม่กิดไฟแล้วก็ดีดเข้าท้องใครทำให้เกิดเจ็บป่วยถึงตายไปก็ทำได้อันนั้นนี่ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่แต่ว่าท่านผู้ฟังอยาเข้าใจว่าหลวงพ่อทำได้เป็นแต่เพียงว่าค้นคว้าตำลับตำราแล้วก็เที่ยวหาดูคนที่เขาทำกัน ก็ปรากฏว่าเขาทำได้จริงอันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิโดยทั่วทั่วไปเนี่ยเราทำสมาธิเราอาจจะไม่ต้องมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดตามหลักของพระพุทธศาสนาก็าได้อย่างาศาสนาอื่นเขาก็ไม่มีศีล แต่เขามีสัตว์คือการทำจริงศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีศีลห้าศีลแปดแต่เขาทำตามลทัทธิแบบอย่างของเขาเขาก็มีสมาธิแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ในอินเดียก็ยังมีพวกลทัทธิบําเพนสมาธิโดยไม่ได้ปฏิญญาณตนเป็นผู้มีศีล เพนพวกชีเปลือยทั้งหลายเขาก็ยังบำเพ็ญสมาธิของเขาอยู่หรือผู้ไม่นิยมละที่เปลือยก็ไปเป็นโยคีนั่งสมาธิอยู่บนป่าบนเขาพอเสร็จแล้วถึงหน้าแล้งก็ลงมาแข่งอิทธิฤทธิ์กันซึ่งพระไทยเราก็มีท่านผู้หนึ่งไปเที่ยวแข่งอิทธิฤทธิ์กับเขาเหมือนกันท่านผู้นั้นเขาให้นามว่าท่านฤาษีประเสรศิฐ เป็นคนชาวจังหวัดสุรินไปอยู่ที่อินเดียถึงยี่สิบปีแล้วก็รู้สึกว่าไปเรียนลัทธิของพวกพกพราหมณมมีอิทธิฤทธิ์เขาลอยไฟท่านก็ลอยได้เขาเดินบนตะปูท่านก็เดินได้นอนบนฝากบนหลามท่านก็นอนได้ไปเปลื้องผ้านั่งตากหิมะ อยู่บนภูเขาหิมาลัยท่านก็ทาได้ทำได้เหมือนอย่างเขาเขาจึงยอมยกให้่าลูสีไทยนี่ก็เก่งเหมือนกันกับบาลูสีอินเดียอันนี้เรื่องเหล่านี้ก็อาศัยสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิที่ปราศจากศีลเป็นเครื่องควบคุมนั้นสมาธิอั น, นั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสสมาธินอกหลักพุทธศาสนายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอวดกล้าอวดเก่งมีทิฐิมานะกิเลสยิ่งตัวใหญ่ตัวโตขึ้นมาถ้าหากว่าท่านเคยได้อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านอาจารย์มั่นได้ออกบาเพ็ญกรรมาฐานในตอนตอน้ตน ท่านก็ได้ศึกษาตามรัธิกรรมฐานโบราณที่ไดการศึกษาตามรัธิกรรมฐานโบราณนั้นท่านทำตามรูปแบบของหลักวิชาการนั้นๆเรียกว่าเรียนทรรมซึ่งสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะประสิทธิประสิทธาสั่งสอนอย่างไรวิธีการก็มีการขึ้นครูกรรมฐาน แล้วก็ไปภาวนาเป็นขั้นตอนในเมื่อทำจิตสงบลงไปได้แล้วก็รู้สึกว่าทาอะไรก็ได้เช่นจะทําเครื่องลางของครั้งก็ครั้งอยากจะรู้จิตรู้ใจของคนอื่นก็รู้อยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงลาว่าจะเป็นอย่างไรก็รู้แต่เมื่อมาสังเกตดูแล้วยิ่งรู้ยิ่งเก่งตัวกิเลสทิฏฐิมานะ ความท่านงตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีทุกทีคือว่าไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสอันนี้คือหลักฐานที่เกี่ยวกับระทินอกอสมาธิในละทินอกพระพุทธศาสนายิ่งบำเพ็ญเก่งเท่เทาไรทำได้ดีเก่งเท่าไรพอยิ่งเพิ่มกิเลสหลักขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น เป็นไปเพื่อการสร้างกิเลสแต่สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสกันอย่างจริงจังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยศีลพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดที่นี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะละความชั่วนั้นจะละอย่างไรถ้าใครตั้งใจจะละความชั่วอย่างจริงจัง ให้ตั้งมั่นตั้งใจมั่นลงในการปฏิบัติตามศีลห้าข้อศีลห้าข้อนั่นแหละคือพื้นฐานแห่งการละความชั่วการทำบาปกรรมอย่างใดๆก็าตามแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องไปรับผลในชาติหน้าพบหน้าแต่ถ้าละเมิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่ง นั่นมีหวังที่จะได้รับผลในภพหน้าชาติหน้าเพราะการละเมิดศีลห้าข้อขอ้ขอใดข้อหนึ่งมันเป็นการเพิ่มผลของบาปก ร, รมถ้าเรางดเป็นเสียแต่ในวันนี้ก็เป็นการว่าอานวันว่าตัดผลเพิ่มของบาปก ร, รมเช่นอย่างเมื่อวานนี้เรามีบาปมีกรรมเพราะละเมิดศีลห้า อ, อยู่มีน้ำหนักสมมติว่าประมาณสักหนึ่งกิโลก ร, รมัม แต่วันนี้เรามาตั้งใจเด็ดขาดว่าเราจะวดเว้นโทษตามหลักของศีลห้านั้นก็เป็นอันว่าบาปที่มีอยู่ก็มีเพียงแค่หนึ่งกิโลก ร, รมัมไม่เพิ่มขึ้นมาอีกความรู้สึกนึกคิภายในจิตในใจแต่เราไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่เป็นอันกระทำบาปกรรมที่จะต้องให้ได้ไปรับผลได้พบหน้าชาตาิอันนี้พูดถึงเรื่องศีลห้า ทีนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิให้ได้ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิต้องอาศัยศีลเป็นมูลฐานศีนที่เรารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วนั่นแหละจะประคับประคองจิตใจให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้องเมื่อสมาธิ อาศัยอำนาจแทงศีลเป็นเครื่องอปรมปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นก็นย่อมเป็นสัมมาทิฐิที่นีนหลักตััสินว่าเราปฏิบัติอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องย้อนมามองในหลักของศีลห้าอีกนั่นแหละคุนธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าหากว่าสิ่งใดมันทำให้จิตใจของเราต้อง คิดที่จะละเมิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก็แสดงว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งการละกิเลสด้วยความตั้งใจเนี่ยก็หมายถึงการละตามกฎของศีลห้าข้อนั่นเองพระท่านเทศว่าจงละกิเลสโลภโกรดหลงอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ความจริงนั่นมันเป็นแต่เพียงโวหารการเทศกิเลสในจิตในใจนี่เราละไม่ได้ละไม่ได้เด็ดขาดเราจะเป็นนึกละเอาละเอาละ เ, เ, เ, เอานั่นละไม่ได้เด็ดขาดแต่กิเลสหยาบๆที่จะพึงร่วงเกินทางกายทางวาจานี่เราตั้งใจละเอาได้โดยเจตนาในขอให้ท่านทั้งหลายพึงทาความเข้าใจอย่างนี้ที่นี้ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากจะละความโลภความโกรธความหลงเราจะทำกันอย่างไรอันนี้ขอพักไปก่อนยังจะไม่อธิบายต่อจะขอพูดถึงเรื่องเราจะสามารถใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรก่อนกิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่คนทั่วทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตัณหาความทะเยอทยานผู้เท่าผู้แก่ที่พากันเข้าวัดเข้าวาทั้งหลายในมาพูดถึงเรื่องของกิเลสของตัณหาแล้วโดยมัทท่านเหล่านั้นจะเหม็นเบื่อซะยิ่งกว่าอะไรดีแต่ความจริงนี่ในเมื่อเรามาพิจารณาให้ซึ้งๆลงไปแล้วกิเลสเป็นของดีดีจริงๆถ้ารู้จักใช้ ไฟก็ดีกระแสไฟฟ้าก็ดีเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างมหานาแล้วก็มีคุณอย่างอดั์เหมือนกันไฟนี่าใช้ไม่เป็นเอาไปจุดบ้านเผาบ้านก็เกิดวอดวายหมดแต่ถ้าเอาไปทำความอบอุ่นหุงต้มอะไรรับทานก็ใช้ประโยชน์ดได้อย่างมหาศาลในทำลองเดียวกันกิเลสบรรดาที่เรามีก็เหมือนกัน ทุกทุกคนมีกิเลทพอที่จะอวดกันได้พอๆกันทุกคนดิไน้กิเลตปัญหาเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้เอาไว้ให้เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้อนในการกระทำความดีคำว่าความดีเนี่ยอะไรก็ได้แม้แต่ความดีเกี่ยวกับการครองชีพที่อยู่เป็นขลาหัดก็เรีวยกว่าเป็นความดี ทีนี้เราจะใช้กิเลส่านั่นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเช่นสมมติว่าเรามีความถ้าเยอถ้ายานอยากใกลด้ดิบใกล้ดีอยากร่ําอยากรวยเราก็เอาศีลห้าข้อสิมาตีเส้นขนานเอาไว้ว่าเราจะใช้กิเลสในขอบเขตแห่งศีลห้าข้อนี้เห่นเราอยากรวยถ้าอยากรวยโดยสดจริบก็กระตื้อเรือร้อนมันขยัน แต่อย่าช่ออย่าโกองอย่ารักอย่าขโมยอันนี้เรียวกว่าใช้กิเลสถูกถูกตามกฎถ้าห่งางอย่างสมมติว่าพวกท่านซึ่งเป็นคุณหมอทั้งหลายไปตั้งคลินิกรักษาคนไข้อยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเกิดมีคนไข้หรือลูกค้ามาอุดหนุนตลอดวันยั่งาำตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ท่านจะสละความเหน็ดเหนื่อยของท่านทำงานเพื่อผลประโยชน์ตลอดคืนย่างคำ่ำตลอดวันย่างค่ำตลอดคืนย่างรุง่งซึ่งการกระทำนั้นไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนมีแต่ได้ประโยชน์มาโดยชอบทมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิว่าเราเป็นคนขี้โรคหรือเป็นคนประพฤติผิดศีลธรรมอันนี้ขอยกตัวอย่างมาให้ท่านฟังพอเป็นตัวอย่างเพียงข้อเดียว ทีนี้ในเมื่อกิเลสมันมีประโยชน์สําหรับคนทุกคนเราพยายามใชก้กิเลสเนี่ยให้มันมีขอบเขตโดยไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดผู้หนึ่งให้มันเป็นไปโดยความยุดติธรรมทีนี้การที่ใชก้กิเลสไม่ผิดศรรีลผิดธรรมนั้นมันก็เป็นการสร้างความดีเราอยากได้อยากรวยไม่โลภไม่โกงไม่ช่ออะไรต่างๆ เราก็ไม่ได้ละเมิดศีลข้ออจินนาทานเราอยากลวยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ลักไม่ขโมยเราก็ไม่ได้ไปทําการฆ่าการอะไรเราก็มีศีลข้อปาณาติบาต ท, ทีนี้เมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีตามเพิ้นเพร ข, ของความเป็นฆราวาสปกครองย้าวเรือนเราก็ได้ทําแต่ความดีทําแต่ความดีทีนี้ความดีที่เราจะหมายเอาเป็นความดีนั้น ไม่ได้หมายเฉพาะแต่ว่าเราจะมานั่งหลับตาภาวนานึกพุโทโธพุธโทโธหรือพิจารณาอะไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นใครก็ตามในเมื่อมีหน้าที่อันใดเช่นหน้าที่ของความเป็นพ่อคนแม่คนความหน้าที่ของความเป็นลูกคนความหน้าที่ของความเป็นเจ้าคนลายคน แล้วหน้าที่ของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราต่างคนต่างปฏิบัติตามหน้าที่ของเราโดยถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยอาศัยระเบียบการทำงานนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้เชื่อว่าเรากระทำความดีความดีอันนี้แหละมันจะทำให้สังคมของเราสงบและโดยเฉพาะศีลห้าข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคม พระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็รับเอามาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายในขั้นต้นนี้ไม่อยากจะให้ใครๆไปทำความเข้าใจถึงกันหลาดที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ทุกประเภทเอาไว้ก่อนให้ทำความเข้าใจง่ายๆว่าศีนห้าข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อปานาติบาตพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะ ข้ามไม่ให้มารดค่าการเบียดเบียนกันข่มเหงรังแกกันทำความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็พยายามทำจิตทำใจให้ลดแว้นตามกดนั้นๆอย่างจริงจังลงไปเมื่อมารดแว้นจากการค่าการเบียดเบียนการข่มเหงรังแกกันได้โดยเด็ดขาดโดยวิสัยสัญชาติญาณของมารดจ้อมเป็นผู้มีจิตใจสูง เมื่อเว้นจากการฆ่าเบียดเบียมนมาลดได้โดยเด็ดขาดอิทธิพลของความเมตตาก็ย่อมแผ่คลุมไปถึงสัตย์เดริานได้ในที่สุดสัตย์เดริญานก็ฆ่าไม่ได้นี่คือหลักความจริงที่พูดเนี้ก็เพราะเพื่อจะแก้ข้อข้องใจบางท่านอาจจะมีความหลักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทำสงครามกับโครคภัยไข้เจ็บอยู่ทุกวันทุกวัน โลกบางอย่างมันก็มีตนมีตัวเช่นโลกพญาติเป็นตน้นประเดี๋ยวบางท่านสั่งจ่ายยาขับพญาติออกไปปรเดี๋ยวโอ้ยทําปาราจิบาะกายแล้วตกนรกฮเนี่ปัญหาเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายย่อมหนักใจแล้วก็มีคนไปถามอรรมาภาพโย่บ่อยๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าว่าท่านคล่องใจท่านจะทําใจของท่านอย่างไร อาตมาจะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าพระเป็นโรคพยาธิลำไส้แล้วก็ไปขอยาคนหมอมามาแล้วพระว่าฉันจะถันยานี่เพื่อฆ่าพยาธิในลำไส้ถ้าพระตั้งใจอย่างนี้พระเป็นอบัตตปาจิตีเพราะการฆ่าสัตว์แต่ถ้าพระคิดว่าฉันจะฉันยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ โดยไม่มุ่งถึงสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่ตนมีตัวพระก็พ้นจากอาบัตในทำนองเดียวกันท่านทั้งหลายอาจจะฉีจยาปั๊บลงไปสักเข็มหนึ่งถ้าท่านคิดว่าจะให้สัตว์ในตัวของคนไข้นี้มันตายท่านก็ทำปาณาติบาตแต่ถ้าท่านคิดว่าฉีดยาหรือให้ยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ท่านก็ไม่เป็นบาปเพราะการฆ่าสัตว์อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนา พระพุทธเจ้าก็ยังทรงรักษาทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันยาทีนี้โครคภัยไข้เจ็บเช่นอย่างโรคที่อ่าโรคที่หิดที่กลากอะไรพวกโมดเดียมันก็มีตัวข้อมันทั้งนั้นสมัยเมื่ออจะมาเป็นสามเณรตัวเล็กๆเนี่ยมันสปกปรกเป็นที่หิดเต็มตัวตอนเช้าๆหน้าแล้วหนาวก็เอาเข็มมาบ่งตัวขี้หิดออกมามาวางใส่แผ่นกระจกแล้วก็ใต่ด้อมด้อมดอมดอมให้ดูก็แสดงว่ามันมีตัว แต่คนที่เป็นโรคผิวหนังในสมัยครั่งพุทธการพระภิกสุก็เคยเป็นแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ทายาแต่พระองค์ก็บอกว่าอย่าทายาเพื่อฆ่าตัวพยาธิทาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บรัะะกษาโรคให้หายอันนี้การทำบาปกรรมเล็กๆน้อยๆ อ, อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราคิดวา่าเราจะให้ยาหรือฉันาทานยาเพื่ อ, อจะฆ่าโรคนั้นๆ ้ขึ้นคำว่าค่าแล้วมันก็ผิดศีลข้อปานาติบาตครั้งนั้นเมื่อไม่นานมานี้อาจจะมาภาพก็ถูกสมเด็จพระบรมมราชิ น, นีนาถท่านรับสั่งถามเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพเคือที่ศูนย์ศิลปาชีพนั้นท่านไปทรงแนะนำให้รัษดรเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทีนี้เมื่อปลูกมอนเลี้ยงไหมขึ้นมาแล้ว เมื่อจะเอ า, าจะทำไหมให้มันเป็นเส้นขึ้นมาจะต้องเอาตัวหมอนไปต้มต้มแล้วก็สาวเอาไหมออกมาท่านก็รับสั่งถามว่าทำอย่างนี้บาปไหมสงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าถ้าสมเด็จไปทรงสั่งให้เขาเอาตัวไหมนั่นต้มลงในหม้อสมเด็จก็บาป ถ่างนั้นเนี่ยทำยังไงจรึงจะไม่เป็นบาปหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าหน้าที่การรับสั่งให้เขาทำนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงรับสั่งให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเมื่อเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นตนเป็นตัวเขามองเห็นผลประโยชน์ที่จะเพิ่มได้ปล่อยให้เขาทําเอง อย่าไปทรงแนะนำเขาถึงขั้นที่จะต้องเอาตัวไหมต้มลงไปในหม้อถ้าในทำนองนี้สมเด็จพ้นจากโทษภานาสิบัตแล้วตมาภาพขอถวายพระพรถามว่าเคยมีรับสั่งให้เขาเอาตัวหมอนต้มลงในหม้อรหรือเปล่าท่านก็รับสั่งว่าไม่เคยถ้าหากไม่เคยสมเด็จก็ไม่เป็นบาปไม่ต้องเป็นห่วงใยเรื่องบาปกรรม ในเมื่อเขาทำขึ้นมาแล้วเขาจะได้ผลอย่างไรนั่นเขาย่อมรู้เองเพราะเขาโตกันทุกคนทุกคนแล้วในขั้นสุดท้ายสมเด็จพระรงปล่อยวางซะท่านก็เป็นที่พอพระไทยในคำตอบเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทำบาปทำกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากเรามีความข้องใจสงสัย หรือเรามีเจตนาว่าเราจะฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปวันยังคำ่ำเช่นอย่างในคำลองเดียวกันอาตมาต้องขออภัยด้วยที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมาพูดในที่ประชุมเช่นอย่างผู้ที่ถือรัฐิไม่รับทานเนื้อสัตว์พราะเขาถือว่าการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นการส่งเสริมปานาสิบัตที่นี้ โู้ที่รับทานเนื้อสัตว์แต่ไม่มีความสงสัยแคงใจใดๆถือว่าเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพารับทานอย่างไรฉันก็นรับทานไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้จะไปจับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าด้วยมือของเราเองเราเอาของสำเร็จโลกแล้วมารับทานถ้าเราทําใจอย่างนี้เราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าหาว่าทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้ลงมือฆ่าเอง ไม่ได้ลงมือเชือดเองแต่เราไปนึกสงสัยว่าการรับทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นการส่งเสริมปานาติบาตถ้าท่านไปคลองใจอยู่อย่างนี้แล้วรับทานลงไปท่านเป็นบาปประโยช น, นในเรื่องนี้ใครๆอย่าไปสงสัยการปฏิบัติการลดแว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นข้อปฏิบัติตีปฏิบัติชอบใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ไม่เสียหาย แล้วก็ไม่เป็นความผิดเป็นความดีแต่ขออย่างเดียวว่ายาเอาข้อปฏิบัติอันนั้นไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นใ น, ในเมื่อเราก็เว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์แล้วไปกล่าวคนอื่นว่าเขาทั้งหลายที่ยังรับทานเนื้อสัตว์อยู่นั่นเป็นเสือเป็นสัตว์อะไรทำนองนี้มันเป็นคาหยาบผลสวาจามันเป็นฉายาแห่งมุสาวาท ถ้าใครทำดีแล้วก็ตั้งใจทำดีไปจะเอาความดีไปเที่ยวข่มคนอื่นในทำนองที่ว่ายกตนข่มท่านแล้วมันเป็นบาปก ร, รมเอาละจะมาพูด <c oughs> เรื่องเบเ็จมาพอสมควรแล้วตอนนี้วกเข้าหาประเด็นกันแค่ทีในสมัยปัจจุบันนี้ทุกท่านก็มุ่งตรงต่อการทำสมาธิภาวนา สำหรับหลักการทําสมาธิภาวนาในวันนี้จะนําประวัติการสอนกรรมาฐานของพระอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านฟังพระอาจารย์เสาสอนกรรมาฐานเริ่มต้นด้วยการให้ภาวนาพุทธโธ ท, ทีนี้การภาวนาพุทธโธนี่ถ้าเราจะทําเป็นพิธี ห, น, ธหน่อย เราจะเข้าไปสู่ห้องพระที่เราเคยสักการะบูชาไหว้พระสวดมนต์แทนเมตตาพอเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตามแบบที่เราพุทปหนัง่งปางสมาธิแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นนึกในใจว่าพุทโธธรรมโมสังโฆถึงสามครั้ง แล้วก็ทำความในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกกิตชอบชั่วดีพระธรรมก็คือการทรงไว้ซึ่งความดีพระสงฆ์ก็คือสติสังวรระวังจิตให้อยู่กับคําบริกรรมมัทวนาว่าพุทโธนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของคนทุกคน ในเมื่อผู้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมีประกายสว่างเร่งแล้วก็มีความสงบเด่นล้ะกอบพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะในตอนนี้คำภาวนาพุโทโธหายไปปีติแล้วความสุขย่อมเกิดขึ้น เมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมุ่งต่อความสงบเลื่อยไปนิวรณห้าคือกามฉันท พ, พยาบาทสินมิธาอุทจักุกุจักวิกิจิตาหายไปหมดแล้วจิตมีแต่ความสุขความสบายประกอบพร้อมไปด้วยปีติและความสุขและความสงบอันนี้สมาธิในขั้นเริ่มต้นปรากฏขึ้น